طريقة إلا بستم إلا يوما ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال ف ق ل ي ن س ف ه ا ربي ن ف ا ل ينصفها ربي نصفا فَيَزَرُهَا قَعْصَفَفَلا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوجله و خ ش ا ع ت الأصوات ل ل خ ش ا ع ت الأصوات للرحمن. ด้านบนไม่มีอิลลามซายามฮิซ إلا من أذن له الرحمن ورضي له كولا ورضي له و ل ا يعلم ما بين أيديهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وما خلفهم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 و ่าชดอัลลอฮ์อิลล้าห์ حد ه لا ش ر ي ك له ว ا าชดอันมูฮั عبده ورسوله اللهم ب ك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإلاه كن نشور أعوذ بكلمات الله ا ل ا ما م ن ش ر ما خلك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 ที่รักทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลลาห์เราขอบคุณอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นะครับที่อ<ม>ัลลอ์ให้เราหลับไปเมื่อคืนนี้แล้วก็ให้เราตื่นขึ้นมาด้วาที่ท่านนาบีสอนก็คือให้กล่าวว่าอัลลอฮุมัดอัลฮัมดุลิลลาฮิลลอยานาบัดดมาอมาตานะวาอิลัฮินุชุด เราทำดูแลเนี่ยเป็นดูอาที่ดีที่สุดพี่น้องนบีเนี่ยสอนให้เรานิกถึงอัลลอ์นะครับเอาดูงอาที่ท่านนบีน่ยสอนครับเอามาใช้ในชีวิตประจำวันดวอาออกจากบ้านก็คือ بسم الله تبارك وتعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله ดวงอาขึ้นรถ سبحان الذي ال سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمُقَلِّبون คนที่อยู่ข้างๆมัสยิดไม่ได้ใช้รถเดินมาก็มีดูอาอ่านอีกอัลลอฮุมะจยันฟิกลบินูรันฟิซามัยนูรนคุณน้องก็ต้องท่องต้องอ่านนะครับ พอจะถึงม um al al um al um ah ัสยิดอ hm ัลลอฮุมมะซุลลัอาลัมุฮัมมัดวะลาอัลมุฮัมมัดกอนฮิจอบก็มะซุลลัต์อาลัอิบราฮิมวะลาอัลีอิบราฮิมอินนักะฮ์มิดุมัดิดอัลลอฮุมมะบาริกอาลัมุฮัมมัดวะลาอัลีมุฮัมมัดก็มะบาริกต์อาลัอิบราฮิมอินนักะฮ์มิดุมัดิดอัลลอฮุมมะฟะลีอะบรห์มิกะมอาทั้งหมดพี่น้อง เนี่ยเขาเรียกว่าสุนัขนาบีนบีสอนในอ่านดูอาตลอดพี่น้องนะขอบคุณอัลลอฮ์นะครับที่เราได้ทบทวนคุรานเนี่ยการที่เราใช้เวลาของเราแค่สี่สิบ้านาทีชั่วโมงหนึ่งมาอ่านกุรานทบทวนกุรานเนี่ยทําแล้วก็เดินตามกุรานเนี่นะคิดตามกุรานนี่แหละพี่น้องเขาเรียกว่าคิดอยู่ในกรอบคุรานไม่ต้องไปใช้ปัญญาตนเอง ใช้ปัญญาตามที่อัลลอฮสอนในกันอีกรุณองอ่านเนี่ยเดินตามนี้หละพี่น้องบริกัร ก, กับชีวิตเต็มไปหมดเลยความจำเิยกับชีวิตเนี่ยเต็มไปหมดครับแต่ัมดูลิแ ล, ล้วเราทบทวนคุรานมาวันนี้มาถึงสูเราต่อหาใช้เวลากี่ปีแล้วเนี่ยยี่สิบปีแล้วอัลลอฮอัลลออัลอตายได้ม็เยอะแล้วเนี่ย ลราทำนิลล่องขอบคุณอรรนะอดทนาทาความดีต้องอดทนพี่น้องใช้เวลาที่ยี่สิบปีเลยพี่น้องเพิ่งได้ยี่สิบสุรรพี่น้องวันนี้มาถึงสุรที่ยี่สิบสุรรต่อฮาอายาที่หนึ่งร้อยสี่นะครับพี่นอ้องหนึ่งร้อยสี่นะพี่น้องอ่ามาดูอายาที่หนึ่งร้อยสี่นะ อก่อนหน้านี้สักนิดหนึ่งก่อนแล้วกันยาตาคอฟตูนาไบนะฮุมอิลลับิษตุมอิลลักรชรอนี่เอาลอนเล่าเรื่องของเราเนะเรื่องจริงๆเน่เป็นแบบนี้แหละเรื่องของเรานี่แหละนะหลังจากฟื้นหลังจากฟื้นจากสุสาน นี่แสดงว่าตายแล้วต้องฟืนไม่มีใครอยู่ในใต้ดินไปตลอดนะ่ะต้องนึกนาพี่น้องและแผ่นดินอันนี้นะ่ะอุ้มพวกเราเท่าไหร่แล้วอุ้มเอาไว้เนี่ยนี่แผ่นดินของอัลลอฮ์นี่นะ่ะอุ้มคนที่ตายไปแล้วเท่าไหร่อยู่ในกูโบนะ่ะตั้งแต่สมัยนบีอาดัมเรื่อยมาม า, มาถึงวันนี้นะ่ะอุ้มเท่าไรแล้วพวกเราอีกเจ็ดหมื่นเจ็ดพันล้านคนที่จะต้องตายเนี่ยต้องอุ้มอีกเท่าไหร่ครับ แล้วก็มีอยู่วันหนึ่งยาวมายมฟักุฟิซูริวานาฮ์ชรุลมุจลิมีในยามาอิลินซุรโกอายาที่หนึ่งสองมีอยู่วันหนึ่งอัลลอฮฺจะให้มาลาอิกะเขาเรียกว่าอิสรอฟีเนี่ยเป่าเป่ามีที่เป่าแล้วเป่าพอเป่าปั๊บนะครับทุกคนจะตายหมดแล้วเป่าอีกทีหนึ่งอ่ะก็จะฟื้นหมดพี่น้อง แล้ววันที่ฟื้นขึ้นมาเนี่ยอลัลลอฮ์จะรวมคนที่ไม่เอาอิสลามคนที่ไม่เอาศาสนาคนที่ทอรยศต่ออัลลอฮ์คนที่ไม่เคยแตะอัลกุรอานเล็กสักครั้งึในชีวิตเนี่ยอลัลลอฮ์จะรวมคนเหล่านี้เป็นกลุ่มเดียวกันแต่วันนี้เนี่ยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันอีกคนนึงแตะกูรอรานอีกคนนึงแตะไบเบิเลอีกคนนึงแตะกุรอรานอีกตัว น, นึงแตะอะไรนะ แต่คำภีอื่นๆเยอะๆไปหมดอยู่ในบ้านเดียวกันนั่นแหละพี่น้องแต่วันเกียรมานอีอร่อจะแยกชัดเจนเลยนะแล้วก็เป็นไงครับตาในวันนั้นจะสีฟ้าคาว่าสีฟ้าเนี่ยไม่ใช่ตาฝรัง่งเราสวยนะไม่ใช่นะตาความกลัววันนี้ทุกคนหัวเราะเยอะเสียงอาจารย์หัวเราะเยอะอัลลอหัวยหัวเราะเยอะคนที่คุมฮีบ หัวราะเยะคนที่ไว้หนวดไวเ้เครานี่พวกอุสามาบินลาดินถูกตำหนิพี่น้องแต่วันนั้นจะรู้สึกตัวล่ะอืมอ่ะทีนี้ในคุรุ อ, นอานอายะที่ึงร้อยสิบเนี่ยยะตะคอฟตูนคนที่ไม่เอาศาสนาพี่น้องคนที่หันหลังให้กับอิสลามเนี่ยวันนั้นเนี่ยหลังจะฟื้นขึ้นมาแล้วนี่นะยะตะคอฟตูนนั่งสุกสิบกัน อาจจะเดินซุบซิบกันก็ได้ไปน้องใบนหุ้มในระหว่างพวกเขาซุบซิบเรื่องอะไรอิลลับิสตุมอิลลัอาชรอพวกเขาว่าพวกท่านเนี่ยคงอยู่ในสุสานหรือว่าอยู่ในโลกดุนยานี่นะไม่เกินสิบวันอ้าวทำไมไม่คุยเรื่องบานในครับละ่ะ เล่าบุรีผู้หญิงโสเพณีทาไมไม่คุยเรื่องกิ๊กกันลนะ่ะมาคุยทำไมเนี่ยเฮ้เรานอนดูในกูโบแล้วฟื้นขึ้นมาเราอยู่บนโลกดูยาแล้วก็ตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมานี่มันใช่เวลากี่วันนับยังไม่ถูกเลยนี่คนคาเฟ่นะอลัลลอฮ์เล่านะทรายอิลลัอาชรอไม่เกินสิบวันทำไมล่ะนับไม่ถูกเลย ที่นับไม่ถูกเพราะเห็นการลงโทษในทุ่งมาชัดนั้นทรมานสุดๆเห็นความโกนละหลุนอ๋อพี่น้องเห็นความวุ่นวายเห็นความนานของชีวิตในโลกอาคีรอนนั้นนับไม่ถูกมันกี่วันกันแน่ที่ไอที่ผ่านมาผ่านมาในกี่วันมาแล้วพี่น้องเอามาดูกุอ่านอายาที่หนึ่งร้อยศีลคือคำตอบ ที่ Allah จะตอบให้ฟังนะครับนะฮ์นูอาลลัมบิมายาคูลูนนะฮ์นูอัลลัมบิมายาคูลูนเรา Allah อัลลัมบปว่รูดียิ่งบิมายาคูลูนที่พวกเขากล่าวที่เขาว่ากันสวันน่ะ คนที่รู้ดียิ่งคืออัลลอฮฺ س ب ح ا ะฮ็ุ์ตาลาพี่น้องว่ากีวันกันแน่ออามาดูคำตอบอิดยะกูลูอัมซาลูฮุมตอรีกอัมซาลุฮุมตอรีกอแปลว่าผู้ที่มีความประพฤติดีผู้ที่มีความคิดความอ่านดีก็คือคนมุมินนี่แหละอ่า คนที่มีอักรากดีนิสัยดีก่อนตายเนี่ยนะอย่างพวกเราๆนี่แหละพี่น้องคนที่อ่านอัลกรุรอานคนที่ยึดสุนัขท่านนาบีคนที่มันขอทุอาตอนตลลอดคนที่วิเกตถึงอัลลอฮ์ตลอดเวลาเขาเรียกว่าคนอะไรนะคนที่มีความคิดความอ่านดีอัมซาลูฮุมตอรีก็นะครับอัมซาลูฮุมตอรีก็หมายถึงคนที่มีความคิดความอ่านดีหรือคนที่มี อัคลาดดีมีความประพฤติดีมีอักีดาที่ถูกต้องอยู่บนดุญญาใบนี้วันนั้นจะพูดให้พวกเขาฟังว่าไงนะอิสยาคูลนะครับพวกพวกเขาก็จะพูดว่าอิลล์บิสตุมอิลล์ยาห์มาไม่ใช่ฉชนั้นดอกไม่จะสิบวันรอกแท้จริงพวกท่านอยู่ไม่เกิน วันหนึ่งอัลเห็นอย่างนี้คือคำตอบของอัลลอฮฺแนั้นที่เราอยู่บนดุนยาวันนี้อายุเท่าไรเจ็ดสิบางคนกว่าแปดสิบแล้วก็นอนอยู่ในกูโบตายฝังอยู่ในกูโบและรวมแล้วสองโลกนี้เท่าไรวันหนึ่งทำไมความรู้สึกกบบเป็นอย่างนี้ล่ ะ, ละเพราะมันโกนเราหดลรเกินวันนั้นแลว้วก็โลกอาคิรอเนี่ยมันยาวมากเลยไปน้อง นี่เป็นเรื่องจริงไม่ใช่นิทานไม่ใช่เรื่องเล่าตลกตลกไม่ใช่นี่เรื่องชีวิตของเราจริงๆในวันอาคีรอต้องเป็นแบบนี้นี่ไงสอนลูกสอนหลานนะครับอัลลอฮฺพี่น้องเจงนี่คำอธิบายอัลซารุหุมปารีก็ในตัฟซีนอธิบายว่าอัลลาฮกิลอัลกามิลฟีหิมผู้ที่มีความคิดความอ่านดีก็คือคนที่มีอิสลาม คนที่อ่านกูรอ่านแล้วคนที่เอาสุนทร น, นบีมาปฏิบัติในชีวิตดุลยานี่พี่น้องเขาจะมองว่าเออไม่ใช่ที่คุณว่าสิบวันนะ่ะไม่ใช่ทรายวันในบางอาย่ญญานะ่ะพูดว่าช่มงเดียวไม่ใช่วันช่วโมงหนึงงน่งเอาละชโมงูหนึ่งเอารอพี่น้องอาทีนี้ผู้ที่มีความคิดความอ่านดีเนี่ย เขาสามารถมองดุนยาแหละม อ, มองอาคีรอแยกแยะได้ดีกว่าคนที่หลงโลกดุนยาเนี่ยพวกเราวันนี้นะพวกเราเองวันนี้เราเราคุยกันใช่ไหมระวังให้ดีนะวันเกียรมารจะมาทุกคนจะต้องฟื้นพอฟื้นขึ้นมาเนี่ยเราเคยฟังกลัอ่านเลยใช่ไหมเดี๋ยววันนั้นจะมีคนกลุ่มหนึ่งพูดว่ากีวันกันวะคุยค่อยๆเนี่ยมันจะเสียงดังนะกี่วนันกี่วนัวนสิบวนัน คนที่เป็นมุมลินผู้ศรัทธาต่ออรรถบอกเอ้ยไม่ใช่วันนี้นี่คือคําตอบนะครับพี่นอ้องทั้งหลายฉะนั้นคนที่หลงดุนยาวันนี้กับคนที่เอาอาคิรอดนําหน้าอย่างพวกเราวันนี้แล้วเอาอารรอดนาหน้าใช่หรือไม่ใช่มุสลิมทั้งหมดที่เข้าใจาศาสนาจะเอาโลกอาคิรอดนาหน้าโลกดุนยาแต่คนที่หลงดุนยาเนี่ยไม่เอาอาคิรอดไม่นึกถึงโลกอาคิรอดพี่น้อง ไม่นึกถึงอัลลอ์เนี่ยจะเอาโลกดุนยานาหน้าโลกอาคิระแล้วคนที่เอาโลกดุนยานาหน้าโลกอาคิรอเนี่ยพู้นี้หลงดุนยาหมดเลยหลงดุนยาหลงอย่างนี้หลงเงินหลงชื่อเสียงหลงตำแหนง่งหลงเกียรติยศเพราะตีสีอย่างนี่มันเป็นอะไรนะเป็นตัวแทนของโลกดุนยาถามว่าพี่น้องมุสลิมในโลกนี้นะ เอาเงินเอาสี่ประการนี้เนี่ยเอามาได้ไหมได้แต่เอามาพัฒนาอิสลามเอามีเงินเอามีเงินเอามาให้เด็กเนี่ยเดีเรียนหนังสือฟรีฟรีเดีอ่านกุรานฟรีหาครูกรุงกรีมาสอนให้ทุกคนได้อ่านหนังสืออ่านกุรานเข้าใจศาสนาได้ไหมได้ไม่ใช่เอาดุนยามาขยายดุนยาไม่ใช่เอาดุนยามาพัฒนาดุนยาแล้วให้คนลืมอาริย ใครที่มีเป้าหมายแบบนี้พวกนี้ถูกลงโทษจากอัลลอฮ์ตั้งแต่ในกูโบเรื่อยไปเลยครับพี่น้องอิสลามเนี่ยสอนดีสอนให้เรานั่นเอาโลกอาคีรา์นำหน้าโลกดุนยาเอาวัตถุของดุนยาสี่รายการเนี่ยเอามาพัฒนาอากักษรดีไซน์ของของคนให้มันดีให้เลิกทำความชั่วให้เลิกทำเรนาให้เลิกบาร์ในคขับเลิกให้หมดของอารอมบรอมอ่ะ นะครับเอาต่อมาครับในตัพเซตอธิบายอย่างนี้นะครับเยามายุมฟากุฟิซูดวันซึ่งที่เป่าจะถูกเป่าเนี่ยแสดงให้เห็นว่าโลกดุนยาใบนี้มีวันหมดอายุาที่ว่าย่าหลงดุนยาเนี่ยต้องการจะอธิบายว่าย่าหลงดุนยานะดุนยานี้มีวันหมดอายุเพราะอัลลอฮ์เล่าว่า เย้ามายุ่งฟาคูฟิสูดวันหนึ่งจะมีมาลายกะชื่ออิสรอฟีเนี่ยเป่าพอเป่าที่เป่าภาพโลกดุนยาไปนี้จบเลยไม่มีแล้วนั้นยันหลงไอ้ของที่มันหมดอายุยันหลงของที่มันหมดอายุไปหลงของที่ไม่หมดอายุดีกว่าคืออามันทิสอนแล้วย่างน้ำมาซูโบที่จะน้ำมาดมะเช้านี่ไม่มีวันหมดอายุ ดูอาที่ท่านอ่านตอนออกจากบ้านและดูอาเข้ามาัสยิดดูอาขึ้นรถไม่มีวันหมดอายุสุบฮานอัลลอฮฺสุบฮานอัลลอฮฺที่ท่านไปนองกล่าวหลังนมาศไม่มีวันหมดอายุแต่บ้านที่ท่านสร้างเอาไวา้หมดอายุรถที่ท่านมีเอาไวา้สี่คันห้าคันหมดอายุภรรยาที่อยู่ที่บ้านหมดอายุลูกหมดอายุแต่อามัณฑที่ซอและที่เราสอนเขาให้ทําความดีไม่หมดอายุ นอฉะนั้นนึกอายานี้เยอะๆนะยะว์มายุมฟาคูฟิซูหรือนะหนูอาและมูบิมายากูลูอีกยากู ล, อลกูอัมซาลูฮุมตอรีกอัมซาลูฮุมตอรีกอเนี่แปลว่าอะไรนะผู้ที่มีความคิดความอ่านดีคนที่มีสติปัญญาคนที่ไม่ลืมโลกอาคีร์นะครับเนี่ยอัลลอฮชมสุภานุตาลาชมนะครับทีนี้ นบีพูดบอกว่าสว่านนบีถามว่ามาลาอิกาเนี่ยอิสรอฟีนขณะนี้กําลังทําอะไรคําตอบก็คือมละลาอิกาที่อิสราฟีนเนี่ยเอาเนี่ยเอาที่เป่าเนี่ยมาจ่อไว้ที่ปากจ่ออยู่รอว่าอาลัลลอฮ์จะอนุญาตให้เป่าเมื่อไรพร้อมเตรียมพร้อมหมดแล้วถ้าอาลัลลอฮ์บอกไฟเขียวปุ๊บเป่าเรียบร้อยอ นี่คืนบีนบีมองนบีรอรรรูให้เห็นอะไร ๆ, ๆเยอะในโลกอาคริลเนี่ยนบีก็กลัวพอลงมาจากชันฟาตอนขึ้นเมรอดเนี่ยไปเห็นอะไรเยอะมากอะ่ะยิ่งไปเห็นคนที่ถูกทรมานถูกฆ่าตายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่หวีผมลูกสาวฟาโรชื่อมาชิอปอและฟาโร่เนี่ยฆ่าทรมานจนท่านตาย เพราะไปเชื่ออัลลอ์ผ่านนบีมูซาไม่เชื่อว่าฟาโรนั่นเป็นพระเจ้าเป็นพระเจ้าของโลกใบนี้พอไม่เชื่อแค่นี้แหละก็เลยสั่งให้มาซิต้เนี่ยถูกจัดถูกถูกถู ก, ถ, ก, ถ, กถูกทรมานทั้งลูกของเขาด้วยสองสามคนแต่ที่ไหนได้นบีขึ้นไปขึ้นเมีอาราชได้กลิ่นหอมเดินไปในที่แห่งหนึ่ง ถามท่านยิวเียว่านี่กลิ่นหอมอะไรท่านนั้นมันหอมอย่างนี้ท่านยิวเียนก็เอ่ยจำได้ไหมล่ะคนที่หวีผมลูกสาวฟาโร่ชื่อมาซิโตถูกยาฮูดีถูกแล้นะถูกเฟร อ, อนทรมานฆ่าตายนี่ไงวิญญาณของเขายังไม่ตายยังหอมอยู่ให้ท่านนาบีได้กลิน่นเห็นยังครับอิสลามที่มาจากอนะัลล์น่ะมาจากอัลลอค์องเดียวแต่อัลลอ์งนบีมาทุกยุคทุกสมัย เพื่อให้นบีนมาสอนอิสลามจานั้นยุคเรานี้ก็คือนบีมุ m m a d สุลลัลอะลัยฮุสซาลลัมนะครับเอาต่อมาอายที่ห้วยัสอาลูนักะนิลจีบาลฟักุลยันซิฟุฮารบบีนัสฟาวายสอาลูนกะนิลจบาล ฟักุลยันซิฟุฮะรับบีนอัลฮุมดุลิลลาฮคนกาเฟทถามนบีถามนา บ, ถมนบีถามด้วยความเยอะเย้ยถามด้วยความดูถูกเหยียดหยามเพราะเขาไม่เชื่อว่าวันเตีย ม, มัมีตายแล้วฟื้นเขาไม่เชื่อวันนี้คนกาเฟททั้งหมดก็ไม่เชื่อเมอนกัน พี่น้องมุสลิมเราบางคนก็ไม่เชื่อวันเกียร์มาเพราะไม่ได้ฟังศาสนาเพราะไม่ได้ฟังศาสนาเนี่ยไม่เชื่อวันเกียะะร์มาน่ะพ่อก็พูดว่ามิเด็กนี่าศาสนาธรรมบางคนเนี่ยไม่เชื่อวันวันเกียร์มามีมีแล้วครับพ่อแม่กับเพิ่งมาเรียนจะปีหนึ่งมเรียนได้หกหกได้หกเดือนเนี่ยยังไม่รู้จักอิสลามเพราะที่บ้านก็สอนันแบบไหนวันละวันละเราไม่รู้น่ะ แต่เด็กไม่เชื่อวันวั น, วนกิยมามะมีจริงเอานี่คนกาเฟ่ถามท่านนะบีถามมาหนึ่งพันสี่ร้อยปีแล้วนะถามว่าวายัสอาลูนากะแล้วพวกเขาพวกอาหรับที่บูชารูปเจเวต์นั้นถามนะบีมุฮัมมัดยัสอาลูนากะกล้ามาถึงมุฮัมมัดนะถามท่านนะบีว่าอานินจิบาลเกี่ยวกับภูเขาเกี่ยวกับภูเขาจิบาลเมานเทนเกี่ยวกับ ภูเขาพนานบีพูดแบบว่าวันเจียมาสมีจริงเดี๋ยวมาลายิกาจะเป่าที่เป่าแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะสลายหมดคนกาเฟ่ก็ถามแล้วภูเขาแข็งแข็งแบบนี้น่ะจะอยู่หรือจะไปถามด้วยความเยอะเย้ดูถูกเหยียดหยามไม่ได้ถามหาความรู้ถามว่าไงนะและภูเขาละมัมัตแข็งอย่างนี้จะอยู่หรือจะไปในวันเจียมาสอัลลอฮฺอักบารเทียนยัง น บ, บีเนี่ยต้องต้องพร้อมทุทสิ่งทุอย่างพร้อมอยู่ทุกเวลาในการที่จะตอบปัญหาให้กับคนกาเฟ่อลลอร์ Allah บอกว่าฟักูลโมหมัดเอ๋ยจงตอบจงอธิบายอยู่ตั้มลีกจงไดว้ว่ายันซีฟูฮะร บ, บีนัสฟายันซีฟูฮะแปลว่าละลายมันทรงทาํงลาลายมันทรงละลายมันเทอารอยมั่ง ใช่ครับรอบบีฝ่ผู้อาบบานของฉันจะทม จ, จะนะจะนาจะละลายภูเขาที่คุณถามนั่นแหละทุกแห่งในโลกไม่ใช่เฉพาะภูเขาเมืองไทยอะทั้งโลกที่มีภูเขากี่ลูกนี่นะยันซีภูหาจะละลายมันให้นัสฟากระจายวอนเลยอยู่ไม่ได้ครับปกวงภูเขาเนี่ยพิณาตหมด ไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เลยนี่ภาพวันเตียมะอัลลอฮ์เล่าผ่านอัลกุรอานเล่าให้นบีฟังให้นบีมาสอนพวกเราวันนี้ในอายะอื่นครับพูดถึงเรื่องว่าภูเขาเนี่ยจะอยู่หรือไม่อยู่ในคู่อานอายะอื่นที่เราอ่านกันอยู่เป็นประจำนะว่บุษติลจิบาลูบัสะในสุราวากิอะว่บุษติลจิบาลูบัส และภูเขานั้นถูกทําให้แตกนะครับแล้วก็ทลายเป็นชิ้นชิ้นเห็นอย่งครับเนี่ยอ่านอ่านคุณอานทรลุความหมายดีไหมดีอิหม่านมันเพิ่มว่าบุสติลจิบาลุบัสและภูเขาถูกทําให้แตกเป็นเสียงเสียเป็นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้นว่ตะคุนุลจิบาลุกัลไรหินี่ และภูเขาจะเป็นเช่นขนแกะการหลที่นี่เป็นเหมือนขนแกะเอาไน้องมองขนแกะ จ, จะเป็นอะไรเบาไหมลองลองตัดมแล้ว ก, ก, ก, ก, ก็ก็จายว่นวันเคียรมากก็เหมือนกันภูเขาก็เป็นแบบเหมือนขนแกะนี่ใครเล่าให้เราฟังอัลลอฮ์เล่าเลยให้ฟังเรื่องเป็นอย่างนี้จริงๆเอาต่อมาครับ ว่าตะกูนุลจีบาลุกันหลานิลมฟุชและภูเขาจะเป็นเช่นขนสัตว์ที่หลายหลายสีเพราะภูเขามันหลายสีใช่ไหมแหะสีดำมีสีแดงมีสีเหลืองมีใช่ไหมกระจายว่อนนี่อัลลอฮ์เล่าภาพในวันเกียมมาให้เราฟังอัลลอฮอักบัรในตันสิ้นอธิบายต่อไปอีก พอรู阿拉ซาบีเลอิสตีระที่เขาถามนะถามด้วยความเยอะเยะ้ยไม่ได้ถามหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มันจะอยู่หรือจะไปไม่ใช่มูฮัมหมัดรู้จริงหรือเปล่าวันเกมามีจริงหรือเปลอดูทูกเกียร์ยำนบีมูฮัมหมัดนบีผ่านมาแล้วนี่อัลลอฮ์เล่าให้เราฟังนะครับที่นอนเอาต่อมาครับเห็นยังครับอลัลลอฮ์เล่าไว้นะภูเขาหมดไหมหมดกระจายไหมกระจายว่อนเป็นเสียงเสียงเป็นเศษเศษเศษเศษเหมือนอะไรเหมือนขนแกะ อ๋อหรเนี่ยคิดตามกุรอ่านไปนอนหนึ่งร้อยหกฟายาูฮะกออันซฟซฟาฟายะจาลูฮะกออันซฟซฟายาาูแปล ว, ว่าเราจะปล่อยมันนาแล้วเราจะปล่อยมันนะครับแผ่นดินนี่นะเราจะปล่อยเป็นไงครับกออันที่ราบ เรียบหมดเลยเพราะภูเขาหมดแล้วเนี่ยภูเขาไม่มีบ้านไม่มีตึกของมาเลเซียสองอะไรนะสองตึกใหญ่ๆหมดของดูไบที่สูงที่สุดในโลกหมดนะครับบ้านช่องตึกร้างบ้านช่องที่เหลืออยู่ตรงนี้เป็นน้องไปหมดไม่มีอะไรเหลือขนาดภูเขาในใหญ่ที่สุดในโลกอย่างบินวอนแล้วบ้านเราจะเหลือเลยรถของท่านยี่ห้องามๆจะเหลือไหม หมดพี่น้องแผ่นดินไปหมดแล้วนะครับออาต่อมาวายาวายาซารูฮาและเราจะปล่อยมันเป็นอะไรครับก อ, อันเป็นที่ราบซอฟซาฟาประวัติเตียนล่มไม่มีต้นไม้ไม่มีภูเขาไม่มีอาคารหลงเหลืออยู่แม้แต่นิดเดียวทั่วโลกครับนี่ภาพของวันเตียมะวายาซาูฮาก อ, อัง ซอฟตอฟฟฟังกูอ่านถ้าไม่รู้ว่ามันอ่านก็อร่อยนะอ่านเพราะพราะเนี่ยก็อ่านอฟตอฟฟ์แมันรู้ความหมายโอ้โหเฮ้ยราบเรียบจริงๆะภูเขาก็ไม่มีบ้านก็ไม่มีต้นไม้ก็ไม่มีอาคารก็ไม่มีราบเรียบหมดเลย Allah. อัลลอฮอัลลอฮฺอัลลอฮเอาต่อมากับอธิบายต่อไปอีกอายาที่หนึ่งรอยเจ็ด ลาตรอฟีฮะอิวจามุวลาอัมตาลาตระฟีฮะอิวจามุวลาอัมตาลาตระนี่มีสองความหมายแปลว่าท่านเนี่ยไม่เห็นอ่านบีมุฮัมมัดหนึ่งบวกกับนบีด้วยคำว่าตรัสพะอุรูอ่านลงให้ท่านนบีนะนบีจะไม่เห็น หรืออธิบายว่ามนุษย์คนที่อ่านคุรานหรือคนทั่วๆวไปในโลกนี้จะไม่เห็นพื้นดินในวันนั้นอ่าไม่ใช่นบีมหฮัมมัดอย่างเดียวนะคนที่อ่านคุรานพวกเราก็เห็นเหมือนท่านนาบีเห็นนั่นแหละแม้จะคนกาเฟสเองก็ไม่เห็นเห็นอะไรไหมไอวาญเป็นที่ลุ่มและไม่เห็นเป็นที่โดนที่สูงที่ต่ำไม่มี เห็นยังกุรอานอธิบายละเอียดในขนานี้มฮัมมัดเอ๋ยท่านไม่เห็นหรอกและคนกาเฟที่ถามนบิลมฮัมหมัดว่าภูเขาเน่อยู่ที่ไหนนี่คำตอบคุณจะไม่เห็นที่ลุ่มลุ่มและไม่เห็นที่ดอนดที่เป็นน้ำก็ไม่มีที่เป็นอู่ที่เป็นบ่อเป็นคลองไม่มีเตี้ยนหมดฮัมดูลิละทุ่รุ่มที่ดอนไม่มีที่สูงที่ต่ำไม่มีเดินสบาย เระมองภาพเดินสบายก็แล้วกันเตียนหมดเลยครับห้ัมดูลิเลยเอาต่อมาอายาที่หนึ่งร้อยแปดโยไม่ดีจะนัดดียร์ลาไอ้วาเลและขอช่าติลอัซวาตุลิรับมาน فلا تسمع إلا همسة الله أكبر ي و م إ ِ ذ يتبعون ِ ا ل د ا ع, ع ي َ لا عوج َ له َُ وخشعت َ الأصوات للرحمن َّ فلا تسمع َُ إلا همسة ยาวมาไมอินหมายถึงวันนั้นวันที่อิสราอีลเปล่าสั่งพี่น้องพอเป่าเรียบร้อยแล้วใช่ไมทุกคนฟื้นจากกูโบนี่คำอธิบายนะพอฟื้นจากกูโบปับเยาวไมอินวันนั้นวันที่มนุษย์ฟื้นจากสูสารนี่ไปน้องครับยัตาเบอณาดทั้งหมดเนี่ยจะยัตาเบคแปลว่าเดินตาย ไม่จะฟืน้นจะมาเรายืนงงจะไปไหนในะไม่ใช่เดินตาม <c oughs> ตามใครครับอดายคนที่เรียกร้องจะมีคนเรียกคนร้องมาทังนี้ทังนี้เดินตามกันเป็นแถวเลยไปน้องไอ้คนที่เรียกนะใครรู้ไหมมาลาอิ ก, กอิสรอฟินที่เป่าให้คนตื่นนะะั่นแหละไปน้อง แล้วก็จะเรียกเดินตามฉันมาทั้งนี้ทุกคนจะเดินตามกันหมดเลยพี่น้องเราแก้ผ้ากันหมดวันนั้นไม่มีเปลือยกายเปลือยกายกันหมดพี่น้องแล้วก็สุนหก็แบบยังมาจะสุนหเลยแบบเดิมๆแบบเก่าๆนั่นแหละพี่น้องพ่อหน้าเล่าให้ภรรยาฟังพยงอายชากระถามว่าโอ้เล่นไม่มองกันเหรอ นบีตอบไม่มีใครมองใครเลย ว, วันนั้นอ่ะพอฟื้นขึ้นมาเนี่ยทุกคนเป็นทุกหมดเลยนะทุกกันหมดทุกคนมีกังวลใจมีมาปัญหาเดือดร้อนเดือดร้อนกันหมดพี่น้องแม้แต่มุสลิมมาใจมุสลิมมีปัญหาหมดนอกจากคนที่มีอ إ ي م านจริงๆวันนั้นจะเดินแบบสบายมากเลยนะพี่ล้องนี่ภาพของคนที่ฟื้นขึ้นมาหลังจากกูโบนพี่น้องนะเยาวมาอีรินในวันนั้น พวกเขาทั้งหมดยัตาบิยวนาดายจะตามมาลาอิกาผู้เรียกร้องคือมาลาอิกาที่เป่าสังนั่นแหละอัอีดามาถึงคนที่เรียกร้องมาถึงมาลาอิกาลายว่าจะใบใบหน้าซึ่งสำหรับพวกเขาในหน้าที่ คือนบีเอกือมาลายิกาเนี่ยนะไม่ทําหน้าที่บิดเบือนอ่าไม่ทําหน้าที่บิดเบือนทําตามที่อัลลอฮ์สั่งทั้งหมดเลยละเนี่ยอัละลอฮ์เล่านะหน้าที่ของมาลายิกาที่เรียกมนุษย์ให้เดินตามมาลายิกาเนี่ยหลายว่า จ, จะไม่มีหน้าที่จะไม่มีการบิดเบือนแม้แต่น้อยไปน้องอัลลอฮฺอักบัดแล้วก็ต่อมาครับ ว่าอชาติอัลวัดเสียงทั้งหลายในวันนั้นจะเบาและค่อยๆข้ออชาติแปลว่าเสียงเบาเสียงค่อยไม่มีใครส่งเสียงดังสักคนหนึ่งไอคนที่เคยตะโกนอยู่บนดุนยานี้เสียงดังๆใช่ไหมเคยตะโกนที่ตลาดเอี่ยมสมบัติเคยด่าคนนั้นดา่าคนนี้คนที่อยู่ท้องสนามหลวงเคยด่าขึ้นว่ากูโฟนด่ากันอะไรกันใช่ไหม วันนั้นเงียบมดคนที่เคยเสียงดังวันนั้นอัลลอฮ์พูดว่าไงนะขอชาอาติลอัสวะดเสียงทั้งหลายของเขาจะเบาแล้วค่อยๆต่อใครยกับลิรห์มานต่อหน้าเบื้องหน้าของพระผู้อาภีบาลผู้ทรงปราณีคืออัลลอฮ์สุบฮานะหุบุตะละคนที่ส่งเสียงดังๆบนโลกนี้มีไหมมีครับ คนที่ท้าอัลลอ์อัลลอ์ลงมาสิบนดุนยาวันนั้นนั่งเงียบกันหมดแล้วก็เดินตามมาลาอิกะต่อยต่อยต่อยต่อย Allah, อัลลอฮฺอัคบัิเห็นไหมพี่น้องนี่อัลลอ์เล่าในะเรื่องจริงเป็นแบบนี้ไม่ใช่เรื่องโกหกนี่เรื่องชีวิตของพวกเราในวันตียามาก อ่านใหม่ครับย่ามาอีดิอัตเบีนดาอวันนั้นพวกเขาทั้งหมดจะตามมาลาอิกะผู้เรียกร้องนะครับสำหรับพวกเขาสำหรับมนุษย์ว่าง่ายๆนะหรือมาลาอิกาด้วยนะหน้าที่ที่อัลลอฮ์กำหนดไม่มีใครเบี้ยวสักคนหนึ่งอัากอลลอฮ์สัเดินตามมาลาอิกะทุกคนจะเดินตามหมดไม่มีใครแอบแอบฉันจะออกซ้ายไปขวาแบบ นักเรียนหนีโรงเรียนไม่มีวันนั้นไม่มีใครหนีใครทางนั้นบริการก็าทาหน้าที่และมนุษย์ทุกคนก็ไม่มีใครหนีออกจากออกจากทางที่อัลละฮ์กำหนดเอาไว้พุณนอ้องหัวข้อชาติอัสวะแล้วก็แม้จะคนที่ตะโกนเสียงดังในวันนั้นเสียงทั้งหลายของเขาก็จะเบาแล้วค่อยๆต่อเบื้องหน้าพระผู้ทรงกรุณาปรานีคืออัลลอ์ ฟาละตมาอูดังนั้นท่านจะไม่ได้ยินมาถึงนบีมุฮัมมัดเนี่ยเล่าให้นบีฟังนะท่านจะไม่ได้ยินเสียงอิลลัมสน์นอกจากเสียงย่างเท้าเบาเบาเสียงย่างเท้าเสียงเสียงเดินของของเท้าเท่านั้นเองข้างบนเนี่ปิดเงียบหมดปากไม่มีใครพูดเลยพี่น้องแล้วก็มีแต่เท้าแหละเสียงก็แก๊กก็แก๊ก เดินน็ดหน่อยเท่านั้นเองคนไม่รู้ว่าเท่าไร่น่ะฟื้นขึ้นมาไหนี่ไปน้องไม่มีเสียงพูดไม่มีเสียงคุยเลยไปน้องซุบซิบ ก, กันก็นมีที่เล่ากี่ผ่านมาใช่ไหมเฮ้ยเรนอนในกูโบกี่วันวะเนี่ยอ้วนย่งไม่เชื่อหรือว่าจะมีวันนี้อธิมีจริงเนี่ยมันมาแล้วอยู่กี่วันวะมันไม่เกินสิบวั น, นอ่านั่งคุยเดินคุยกันไปไปน้องกลัวด้วยคุยกันด้วยใช่ไหม แล้วก็ไม่มีใครพูดเสียงดังเลยคนที่เคยตะโกนเสียงดังวันนั้นหมดสิทธ์เดินจะได้ยินก็เสียงรองเทา้ารู้เสียรองเทา้เทาไม่มีเท้าเปล่าอเดินพี่ต้องอย่าไป น, นึกว่าจะรองเท้าอะไรใส่นะหมดสิทธ์นะเดินเท้าเปล่ากันหมดมีคนเดินอยู่สามนี่บรรดาอาบับีจะขี่ยานพระหารนะอา้าวเห็นภาพเลยคนมุมินเนี่ยจะเดินด้วยด้วยเท้า นะครับแล้วคนกาเฟตคนที่ไร่ศรัทธาต่ออลัลลอฮ์น่ะจะชายหัวเดินนั่นนภาพวันนั้นนะท่านหญิงไอชาถามท่านนาบีว่ามันเอาเท้าหัวเดินได้ยังไงอ่ะนบีบอกอะมันเวลามัชายหัวเดินมันเดินแบบเท้าเดินแล้วมันเจอน้ํามันก็ตะปัดตะปัดอลัลลอฮ์ไปน้องไปดูวันนั้นจะเห็นภาพกันเยอะมากไอคนที่อาจานเน่ยนะอาจาน อัลลอฮบกวาอัลลอฮฺอักบั Allah, ว, กบวันหนึ่งห้าเวลาใช่ไคอองเขาจะสวยเราหง Allah, นะอัลลอฮ์เนี่ยโอคุณที่อาจารมาไอ้คุณ น, ณนี้โอ้โอัลลอฮฺอักบัเห็นหมดเลยภาพวันนั้นพี่น้องแต่ละคนแต่ละคนที่ทาอามันฑซอนแล้วไว้อัลลอฮฺให้เห็นหมดเลยครับประทับดุลินเลยพี่น้องเอาต่อมาอายะห์ที่ไร น, นะอายะห์ที่หนึ่งร้อยเก้ายาุมยิน لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا มีคำถามถามนะครับถามว่าเนี่ยที่ฟื้นขึ้นมาเนี่ยเดินไปไหนกันเดินตามมารายการเดินไปไหนไปซิคอนสแควร์หะหรือไปทำอะไรคำตอบก็คือไปทุ่งมาชัที่เอาลอถูกกำหนดเอาไว้ไปรวมกันตรงนั้นคำอธิบายก็คือเขาว่าอยู่ในททีปมัรคอนมาการนั่นแหละประเทศในแถบนั้นทั้งหมดเลยไปรวมกันตรงนั้น อัลลอฮฺอักบารมีที่กําหนดที่ว่าทุ่งม้าชาติม้าถึนทุ่งที่อัลลอฮ์สั่งให้มนุษย์ไปรวมตัวกันตรงนั้นใครไปเอาไปซื้อที่เอาไปก่อนได้ไหมไม่ต้องซื้ออัลลอฮ์จัดไว้แล้วกูโบกก็มันกันไม่ต้องจองอัลลอฮ์จองที่ในนรกเอาไว้จะจองที่ในสวรรค์เอาไว้จะทำยังไงจะได้ที่ตรงนั้นอยากได้ที่สวรรค์ใช่ไหมเอ้าทํายังไงผม มีอยู่คนหนึ่งท่านฮัสซันบาซรีท่านบอกว่าฉันเข้าห้องน้ําสมัยก่นนะสมัยหกเจ็ดร้อยปีมาแล้วเนี่ยเข้าห้องน้ําน่ยเสียสตังค์เอ้ฉันเข้าห้องน้นนะ 6, 7, านะําซนะต์อนะอตอนเขาบ้านฉันเข้าบ้านไซตตอนนะ่ยจ่ายตังค์เลยเหรอเขาบอกต้องจ่ายที่สุลวงรกาเนี่ยเจ่ายตังค์นะจะชี้ทิ้งต้องจ่ายตังค์หบาทสิบบาท ทันสันบัสตีพูดด้วว่าฉัานจะเข้าบ้านชัตอนต้องจ่ายตังค์และจะเข้าบ้านของอัลลอฮ์ในโลกอาคีระหมายถึงเข้าสวรรค์เนี่ยมันต้องมีอะไรถ้ามันเขาคิดเห็นยังอุลามาเขาคิดเลยนะอัลลอฮ์เข้าบ้านชัตอนนเสียสตังค์และจะเข้าบ้านของอัลลอฮ์บ้านที่นบีอยู่พานพวกชูฮัดะอยู่บ้านพวกซอลีฮินอยู่มีอยู่สีกลุ่มนะนะ ผู้ศรีดีกินอยู่เนี่ยแล้วเราจะไม่เสียสตังหรือคําว่าสตังที่หมายถึงอามมันติซอต้องมีอัมมันติซอและไปแรกทําตัวให้อลัลลอฮ์พึงพอใจบนโลกดุนยาใบนี้ท่านจะมีโอกาสได้เข้าสวรรค์ของอลัลลอฮ์ขนาดเข้าบ้านไซตตอนยังจ่ายสตังแล้วเข้าสวรรค์ของอลัลลอฮ์น่ะที่มีนับีอยู่ศิี ด, ดีกินอยู่สุฮ า, าดะอยู่คนตาชิดอยู่ แล้วก็คนอิบาดุรุมานอยู่เนี่ยถ้าเราจะไม่จะเข้าใดางไงถ้าไม่มีอามันจะสอนแลกเข้าไปเป็นข้อเตือนใจที่ดีมากครับพีน Allah, ่น้องอัลลอเป็นองหัมดยลิลลอ์อยู่กับศาสนานี่แหละพี่น้องของอัลลอฮนี่แหละเป็นศาสนาเดียวตั้งแต่สมัยนดีอาดัมถึงโลกอาคราะต่อมาครับยามาลาตัมฟาอูชฟาอาวันนั้นมาถึงวันกิยามานพี่น้อง ชาฟ้าหมายคืการไถแทนโทษการไถแทนโทษวันนั้นต้องการครับทุกคนต้องการการไถแทนโทษต้องการหาคนช่วยนาพี่น้องนะต้องการต้องการคนช่วยอยู่บนดุนยาเราก็มีคนช่วยกันอยู่อ่อาแต่เราอยู่พักนี้พักนี้ก็วิ่งเต้นช่วยเรามีติดคงุงติดคุกก็เอาอะไรมาเอาพวกทนายมาอะไรมาก็วิ่งเต้นกันพี่น้อง เราอยู่กลุ่มั้นก็กลุ่มนั้นก็ช่วยเราในวันกิยามะเราก็หาคนช่วยเหมือนกันเขาเรียกว่าชาฟะการไถ่แทนโทษกันอรลร้าวนะครับแลตจำฟาอุชาฟะการไถ่แทนโทษจะไม่อำนวยแก่ผู้ใดจะไม่เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสิน้นหาคนช่วยไม่ได้คุณจะเคยเป็นอบตอมาก่อน เป็นสอสอ ส, อสอจออะไรก็หรือเป็นอะไรก็ตามมาันจะโดนด ญ, ญายไป น, นี้วันนั้นหมดสิทธิ์คุณหาตัวช่วยไม่ได้แล้วละตามฝ่าอัชาฟาการไถ่โทษในวันนั้นไม่มีประโยชน์แก่ผู้ใดอิลลเว้นแต่มันอะลีน่าละฮุรราะมานเว้นแต่ผู้ที่พระผู้ทรงกรุณาปรานีหมายถึง Allah อัลลออนุมัต นอกจากอัลลอฮ์ต้องอนุมาตผ่านอัลลอฮ์อง์เดียวพี่น้องเอาให้คนนี้เป็นคนช่วยเอาให้คนนี้เป็นคนช่วยและอัลลอฮ์จะชี้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยอัลลอฮ์เล่าแล้วฉันชี้มูฮัมหมัดนะคนอื่นฉันไม่ชี้เพราะนายัดอิตอธิบายอย่างนี้มีมนุษย์เนี่ยประชาชนในวันเกียงมาพี่น้องวิ่งไปหานาบีอาดัมไปต่างว่าคุณมาผิดตัวแล้ว ฉันเองก็มีปัญหานบีอาดา ม, มีปัญหาไหมเอา้าวนึกทีๆไปกินต้นต้นอะไรเนะี่ยต้นไม้ต้นหนึ่งใช่ไหม ล, ล่ะเล่าลอนไล่ออกมาจากจากสวรรค์มาผิดตัวนะไปหาคนอื่นไปแบบนบีบรอยฮีมนบีเทียวว่าไม่เอาไม่เอาไปหาคนอื่นคนอื่นส่งกันไปพี่น้องสดทุท้ายผ่านหลายนบีไม่มีใครรับสกุลหนึ่งนบีมุฮัมมัด ร, รับอยู่ผู้เดียวเอา้าพี่น้อง แลวเราวันนี้แอนตีบบ้ซุน่านบีเชิญเธอะแล้วก็จะไปขอน บ, บีช่วยฉันหน่อยเองอ่ะตอนจะนอนไม่เคยนึกถึงซุนา่าฉันเลยก็ฉันสอนีงว่าให้แปรงฟันก่อนแล้วอาบน้นเคยเค ย, เคยทำบ้างไม่เคยทำเลยทาชีวิตของคุณอะ่ะวันนี้ยังมาขอฉันยังไม่มีอ ย, ย่ยางใหญ่ๆไปๆมาลาอิกากันหมดไปน้องฉะนั้นมีอยู่ท่านเดียวคือน บ, บีมุฮัมมัดเท่า น, นั้นแหละที่จะ เป็นผู้เชฟฟ้ามนุษย์ทั้งหมดพี่น้องเอาชชฟฟ้าในเรื่องอะไรครับขอความช่วยเหลือบางคนความดีความชั่วมันเกิดเท่ากันโอ้โหความดีความชัว่วทําเท่ากันเลยแล้วก็มันจะตอบ้าตัวก่อนตายมีไหมมีก็วิง า, าใครอะนบีจะช่วยฉันหน่อยอ่นานบีถามว่ารับอาญาเปล่าอย่าลืมนะคนที่รับอาญาเนี่มีโอกาสช่วยนะอ่ะนานนบีช่วยนะ Allahumma rabbihi h i d a a wa titama t wa salatil s qaima. h y u b u n dunia, dah i n f a r fang azan, tang cai f a m g Ha, azan j o b Allahumma rabbihi h i d a a wa titama t wa salatil s qaima. h a Di Muhammadanil wasila t a wal f a d i l a wa bagus m a q a m a n Mahmudanil l a d i wa atta. Kon h di raf azan, y u p e n baca. Misih, d a i raf syafaat ah, dari Tuan Nabi. แล้วคนที่แอนตี้ฟังเพลงดีกว่าเพลินเชิญตามสบายเดี๋ยววันนั้นจะรู้สึกตัวเสียใจอัลลอฮ์กลับมาอยู่บนทุงญ้ามาจะมาแก้ตัวอัลลอ์ให้ไหมไม่ให้ครับพี่น้องอิลลามันอาินาลาหุรราะห์มานเว้นแต่อัลลอฮ์จะทรงอนุมัติแล้วใครอีกครับวรบดิยาลาหูกูลา และที่พระองค์ทรงพอใจในคำพูดพอใจในคำพูดอธิบายครับน้องบนดุนยาใบนี้เขากล่าวละอีละอินละหลอเป็นคำพูดที่อัลลอ์ทรงพอใจท่านคนที่กล่าวคำนี้อยู่บนดุนยานี้ได้รับการชาฟะฟาอาจากอัลลอ์ทั้งหมดครับคนกาเฟตหมดสิทธิ์เพท่านถึงว่าอย่าแต่งงานกับคนกาเฟตเลย อย่าอยู่ร่วมคนกับคนคาเฟ่เพราะคนคาเฟ่มันทำลายฉะนั้นอยู่กับภรรยาที่เป็นมุหมินสามีที่เป็นมุหมินที่มีาศาสนาเธอพี่น้องเพราะคนที่เป็นมุหมินนั้นเขากลาา่าวคำว่าไงนะเลออิเลออิลลอรอเบียลาหูกาวลาคำพูดที่อัลลอฮ์ทรงพอใจตับซินอธิบายไงใช่ไหมคือคำพูดที่กล่าววะเลออิเลออิลลอรอเบียลาหูกาวลาคำพูด พี่น้องเห็นอย่างครับนี่คุรานหนึ่งปีแล้วครับไม่มีใครมาเปลี่ยนได้พี่น้องรักษาจนกว่าจะถึงวันเตียมานะครับพี่น้องอตมาายตินหนึ่งรอยสิะละมุมาบนาอดีหิมวมะขลฟะฮุมวลาญุฮิตุน b i อลมา ย่ำลืมมา بين มือของพวกเขาและทีอยู่หลัวกาให้นบุญามนี่เป็นสิบของอัลลอฮ์พี่น้องเราต้องชมอัลลอฮ์เยอะๆพี่น้องถามท่านพี่น้องว่าชมอัลลอ์กับขอจากอัลลอ์นั้นอันไหนดีกว่ากันชมอัลลอ์ ขอด้วยถ้าชมอย่างเดียวไม่ขออัลลอ์ก็ไม่พอใจเพราะนบีสอนเองนะครับชมอัลลอ์ด้วยแล้วก็ขออัลลอ์ด้วยพร้อมๆกันก่อนก่อนจนก่อนจะขอดูอาให้ว่าอย่างนี้บิสมิลลาฮิร rahmanir rahim อัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลามีนอัลลอฮุมะซิลลิอัลลมุฮัมมัดมุฮัลลิมุฮัมมัดแล้วก็ขออัลลอฮุมักฟิลลิวะลิวะลิดายะวะฮัมหุมากะมารบัยานีสอกรอทำไมชมอัลลอ์ก่อนแล้วก็ ชมนบี ม, มุฮัมมัดอัลลอฮุอะลุอะสาลลัการชมอัลลอฮ์เป็นของดีนะบางทีอัลลอฮ์ให้มากก็ขออีกนะชมเยอะๆเนี่ยอัลลอฮ์จะนั่นวันวันหนึ่งไปนอนตองตอนเย็นเย็นตอนเช้เาเช้าเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์ว่างงานใช่ไหมนั่งอยู่ในที่นัมาที่บ้านท่านนั่นแหละอ่านอัลกรุรอานซิกุรุลล ah. อฮ์เช่นอ่านวันนี้วันอะไรอ่ะวันตาเสีย ข, ของเดือนอาชูรอใช่ไหม หลายคนก็เริ่มถือสินอดกันในวันนี้ถือสองวันวันที่เก้ากับวันที่สิบเอาวันนี้ไม่ลืมโอ้โหงานอื่นยุ่งเอาพรุ่งนี้วันที่สิบให้ถือแล้วก็อีกวันหนึ่งวันใดให้ถือสองวันแต่ท่านชีวิตนบีนบีถือวันที่สิบวันเดียวแต่ก่อนนบีจะเสียชีวิตนบีบอกว่ามีซอบาถามอาตีบุชันปีหน้าฉันจะถ้าฉันมีชีวิตอยู่ฉันก็ขอถือบวช วันบันทึกเก้าหรืวันหนึ่งก็คั่ยเฉือสองวันเก้ากับสิบหรือสิบกับกับสิบเอ็ดเดือนนี้เดือนอะไรนะเดือนมฮารอมนะหลายคนเนี่ยเข้าใจว่ามฮัรอมแปลว่าเดือนต้องห้ามห้ามไม่ให้อะไรไม่ให้แต่งงานแต่งงานเนี่ยบาปเพราะเป็นเดือนต้องห้ามปลงบ้านไม่ได้ทําอะไรอะไรไม่ได้ตัวอย่างหนึง่งแต่ทํากีนาได้แปลกนะ พน้องผมปรากฏผมอ่านตัฟเซีินะผู้ บ, บอกว่านาบีมุฮัมมัดนี่แต่งงานในเดือนเดือนนี้นะเดือนนี้อะไรนะเดือนมุฮัรรอมอาหรับส่วนใหญ่เนี่เข้าใจผิดพวกเราวันนี้ก็เข้าใจผิดนะฉะนั้นท่านอาลีแต่งงานท่านหญิงฟาติมาในดเดือนมุฮัรรอมนบีแต่งงานกับท่านหญิงซอฟิยาก็เดือนมุฮัรรอมเหมือนกันฉะนั้นเดือนมุฮัรรอมมันจะเดือนต้องห้าม เดือนห้ามไม่ให้ทะเลาะกันมันอยู่ตรงนี้เดือนไม่ให้ทะเลาะกันไม่ให้ด่ากันไม่ให้ทำสงครามกันแต่เป็นเดือนที่เดือนให้ทํงาส่ให้ทำสงเสริมไม่ทำความดีให้มากที<ซ>่สุดมีอีสี่เดือนนะครับเดือ น, เ ด, อนเดือนต้องห้ามนะห้ามไม่ให้ทะเลาะกันไม่ให้ข้าฟันกันพี่น้องแต่ถ้าใครมาลุกราเนี่ยได้ไหมได้เราไม่ถืออาวุธก่อนนะครับพี่น้องออาต่อมานี่เปการชมอัลล ยาละโมมาใบนาไอดีหิมพระองค์ทรงรู้เรื่องราวทั้งหมดที่อยู่ข้างหน้าอธิบายยังไงอัลลอฮ์ทรงรู้รู้เรื่องทั้งหมดที่อยู่ข้างหน้าพวกเขาหมายความว่าสิ่งที่เกิดมาแล้วเดี๋ยวที่มามอ่นานเมื่อเช้าเนี่ยอัลลอฮ์รู้หมดเรื่องที่เกิดมาแล้วแต่มนุษย์ลืมไปแล้ว แต่อัลลอ์ไม่ลืมเลยฉะนั้นเรื่องที่เกิดมาในโลกตั้งแต่วันแรกที่อัลลอฮ์สร้างโลกมาถึงวันสุดท้ายอัลลอจำหมดเลยอย่าละโมมาบานาไอดีฮิมเนี่ยถ้าเรายมานเพิ่มพอะอน่าแลรู้ความหมายนะพระองค์ทรงรู้เรื่องทั้งหมดที่อยู่ข้างหน้าพวกเขาหมายถึงที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตวะมาคอนฟาฮูมและที่อยู่ข้างหลังพวกเขา สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะเราไม่รู้ทุกนี้จะมีปัญหาอะไรเรารู้ไหมไม่รู้นี่จะออกไปข้างนอกเนี่ยจะมีอักเสบหรือเปล่ารู้ไหมไม่รู้ฉะนั้นขออุทาเยอะๆขออุทานอัลลอฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานุลลอฮิลลอฮ์วะลาฮาดะวะลาควูตอิลลาบิละนึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆพี่น้องใจมันจะสงบพี่น้องเอาต่อมาครับ ว ولا يحيطن به علم ไม่มีและความรู้ของพวกเขาความรู้ของมนุษย์นี่นะที่อัลลอ์ให้นี่บางคนจบด็อกเตอร์เรียนตังหลายด็อกเตอร์หลายใบยมีไหมมีเอาละความรู้ทั้งหมดของมนุษย์นั้นจะเท่าเทียมความรู้ของอัลลอ์ได้ไหมไม่ได้เลยเนี่ยเตือนเรา เพราะฉะนั้นคนที่ทําอะไรสําเร็จบนบนบ น, บนดุงยาเนี้ยยายาตะกา บ, บุรอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ให้งานมาชิ้นหนึ่งไงทําสําเร็จต้องว่าไงอัลฮัมดุลิลละพอกล่าวแล้วสูดอยูต Al ่ต่ออัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละนำมาขอบคุณอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์ให้สำเร็จนะเลี้ยงลูกมาด้วยน้องอัลลอฮ์ไม่ติดยาเสพติดอัลฮัมดุลิลละ พอลูกแต่งงานน้ำตามันหลายดีใจอลูกแต่งงานแล้วทำยังไงล่ะพ่อเบาไปหน่อยยังมีอีกสามคนอีกแต่งงานไปแล้วหนึ่งคนยังมีอีกสามเป็นห่วงอยู่เนี่ยจะรอดหรือไม่รอดยังไม่รู้เลยยอะลอร์เพี่น้องครับต้องพึ่งอัลลอฮ์หมดเลยนะเพราะความสามารถของเรานั้นจํากัดเราต้ออบรมเตือนลูกอยู่ตามประเทศในโซนไลายนะ ส่อะไรนะ่ะเฟซบุ๊กบั่คุยมลูกนมาดยันซิกรุลลอยยันนมายาขาดนะต้องเตือนแบบนี้เมียแถตั้งหมดยังถามตั้งอย่างเดียวนะทาไมเมียแถวอ่ากุรอานได้กี่ยุดแล้วดูอาท่องได้เท่าไหร่แล้วอันฮะดิษได้กี่บทแล้วต้องถามแบบนี้บ้างกัแบบนพี่น้องนะเอ้าต่อมาอายะสุดท้ายอีกอายะหนึ่งวานาติลวูจู ลิลไฮลยไควม์ وقد ก็ด من ح ม ل ا ل ظ ลล ة อัลลอฮฺ Allah, พี่น้องนี่อัลลอฮเตือนนะว่านาติลูจูวูยุแปลว่าใบหน้าใบหน้าหน้ายังยังฟื้นเหมือนเดิมพี่น้องนะเนี่ยมือเนี่ยก็ฟื้นเหมือนเดิมนะรอยนิ้วมือวันฟื้นฟื้นหมดไม่หายไปไหนเลย คนที่ขาขาดก็เต็มหมดไปน้องที่คอขายก็เต็มหมดทุกคนฟื้นเหมือนเดิมหมดไปน้องอัลลอฮ์เล่านะใบหน้าของพวกเขาในวันนั้นอานัแตแปลว่าสยบอานัตหมายถึงสยบอลัลลอฮ์ไปน้องถ้าภาษาอุดูพูดดีนะลำบีกัดดันคนที่เคยคอยาวอยู่บนโลกดุลยาวันนั้นก็หมดสิทธิเหมือนกัน คอยาวมาถึงอะไรเดินเย่อหยิงจองหงวางเตะท่าตำแหน่งมาสูงเนี่ยเดินไม่มองใครเลยนะเขาเรียกว่าลัมบีกัต ด, ดันคอยาวคนที่คอยาววนนัเป็นไงครับอานาติลูอยู่ใบหน้าของพวกเขาสยบต่อพระผู้ทรงลิลให้ิลกอยูผู้ทรงมีชีวิตอยู่ตลอดไปไม่ตายอลัลลอ องเดียวที่อยู่ไปตลอดไม่ตายอัลก อ, อยูมดารงอยู่เป็นเนืองนิดไม่นอนและไม่ง่วงนอนนี่คือปัจจุบันวันนั้นคนที่คอยยาวๆบนดุนยาที่เดินเบ่งไปกระเบ่งมาเนี่ยวันนั้นนั่ง น, นัง่งไปเงียบเหมือนคอตกกันหมดก็ถาวอ้อาๆไม่ยกคอแล้วยกยกยกสิเคยยกมาแล้วนะ ย, ยกตัวไปหมดสิ <c oughs> อรรสอนครับ หวานติลูอยู่ใบหน้าของภูเขาวันนั้นสยบต่อผู้ทรงมีชีวิตอยู่ไปตลอดเพื อ, อไม่ตายอัลลอฮ์ผู้ทรงไม่ตายอัลลอฮ์ผู้ทรงไม่นอนว่าก็คอบาและแน่นอนก็ตะวันแน่นอนขอบ่าแปลว่าล้มเหลวขอบ่าแปลว่านะล้มเหลวใครล้มเหลวครับมันฮามาล่คนที่แบก เราเนี่ยแบกของไว้มีสองกลุ่มอีกกลุ่มนึงอีกคนนึงแบกของดีแบกนามาตไปแบกดวอาไปแบกกูร์อ่านไปแบกตัฟซีดไปแบกคดิสไปแบกสุนนะนบีไปของชั่วๆเรามันจะแบกแบกแต่ของดีๆอีกกลุ่มนึงแบบแต่ความชั่วแบกไปได้น่ะแบกเล่าไปบุรีไปของโจรของขารอมแบกเต็มไปหมดไปน้องร้องจะเพลงคาราโอเกะข้าวบาร์นท์ครับ เสียงละอินละล่อมไม่มีดูอาไม่มีซิกเกตไม่มีแบกอะไรครับแบกของหนักหนักไปหมดเลยเราก็แบกแต่เขาก็แบกแต่อัลลอฮฺพูดยังไงนะคนที่แบกทั้งสองนะใครขาดทุนครับคนที่ล้มเหลกกวก็คือห้ามมาละรุลมาเขาแบกของที่เป็นซูลมุมรอเลมหมายถึงอชิคุคนที่แบกชีริกไปคนที่ไปหาเตตะตเกียรอยู่เป็นประจํา นั่นละแบกของผิดผิดไปในวันเตียยมาคนเชื่อโตเกียร์ตะกุดนะครับวิทยศาสตร์ไปน้องเชื่อหมอดูผีแบกผีแบกของคารองไปบาบชิริกไปไปน้องคนที่แบกของเหล่านี้ไปถ้าตายจนกระทั่งไม่มีโอกาสแต่ตาบ้าตัวตอนล้อเขากําลังแบกของหนักข้อบ่าเขาลมเหลวแล้วในวันนั้นก็รไปน้องตลอด อัลลอฮฺอาบดิลวาแทนยังครับทดลองวาชีริกอย่าทำพี่น้องบาปอื่นๆนะ่ะใครที่พล า, าดไปแล้วก็อัลลอฮฺอาจจะไม่เอายศไม่เอาโทษก็ได้แต่ชีริกกับบิดน่ะนี่อย่าทำพี่น้องของที่นบีไม่ทำอย่าทำพี่น้องเพราะเราต้องแบกไปแล้วแบกแล้วเป็นไงครับคอบะเป็นไงครั บ, บ, รบลมเหลว อัลฮัมดุลิลลาห์ปน้องอัลลออับัดดอูกุณอ่านอีกอีกอีกอีกะดีอีกอีกาหนึ่งอียาคุมนบีสั่งท่านหลาจงระวังให้ดีนะวาซุลมาอย่าเป็นคนที่อธรรมอย่าทำชิริกอ่าฟะอินนซุลมาแท้จริงคนที่ทำชิริกนั้นซุลุมาุนเขาจะมืดยาวมันติยามะในวันเกยมเขาจะคอตกต่อหน้าอัลลอ ชีกอย่าทำไปน้องบินอาอย่าทำทำตามที่นบีสั่งก็แล้วกันหนาวนี่วันที่เก้ากับวันที่สิบถือบวชทําเลยพี่น้องเอาวันนี้บวชไม่ทันไม่มีปัญหาพรุ่งนี้วันที่สิบหนึ่งวันแล้วก็สิบเอดอีกวันหนึ่งอัอทำโดยเลยละเนี่ยทําตามนบีแล้วก็กววกภูมิใจนะไม่คนโทรศัพท์มาหาผมหลายคนอาจารย์จะถือบวบวบทั้งบ้านเลยบ้านผมมีอยู่แปดคนอ๋อทำโดยเลยละเอาเลยเชิน วานี่ฟังศาสนาแล้ว إيمان มันขึ้นไม่ยอมแล้วเมื่มก่นเนี่ยลูกลูกไม่บวชเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วลูกก็ต้องบวชชั้นก็ต้องบวชสามีก็ต้องบวชบวชหม ด, ด, ดทั้งบ้านอัลฮัมดุลิลลาะห์ไปน้องนี่ไงเห็นไหมนี่ยคนอย่างนี้ตายสบายไหมสบายแต่ถ้าแอนตี้ซุนนะนบีแบกของโซลุมไปแล้วเป็นแค่ข้อบะเขาลมเหลวผิดหวังเสียแล้วผู้ที่ได้แบกความอาธรรมเรื่องของชีริตติดตัวไป เนี land, heart, he ่ก่อนแกพักก่อนตายต้องตาบ้าตัวต้อนรอนตบ้าตัวซะทุ a ท่านตาบ้าตัวว่าไงครับอัสตัลคืรุนอวะอตูบุอิไลแลก็ถอนตัวออกจากความผิซุบฮานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมดีกะชาดุลาอิลละอิลละอันตะอัสตั as ือรุกาวะอตูบุอิไลขอสุลลามุอะลัยกุมุลลอฮ์ะบรักตุ